จะไม่ยังไม่ออกกังลังกายร่างกายมันติดสบายอยู่แล้วเนะี่ยนั้นพอทำความไม่สบายเกิดขึ้นก็ไม่อยากจะทำางนั้นเราก็ต้องฝืนนิดหน่อยชเช้ชามาท่าอามาท่าแรกท่าแรกทำไง การตบไหลยินต่อมันเป็นวงกลมเอานะขยายวงกลมเวลาเพิ่มมาจะได้ต่อเพราะร่างกายนี้มันไม่สบายอยู่แล้ว แต่ถ้าเราปรับความไม่สบายให้มันเป็นจังหวะโดยเจตนาความสบายก็กลายเป็นพลังของทั้งทั้งกายทั้งจิตแต่ถ้าว่าเรารู้ว่าร่างกายนี่ไม่สบายอยู่แล้วแต่เราปล่อยความไม่สบายเกิดขึ้นก็ไม่เกิดประโยชน์แต่เราก็ปรับการจบเลยพยายามโยกมือไปไกลๆโยกมือไปข้างหลัง ตามหลักแล้วที่ทำปรุสติก็คื อ, คอตื่นขึ้นมาล้างหน้าก็มาเลยพอกำลังกายแล้วถึงจะไปอาบน้ำอันนี้อาบน้ำมาพอกำลังกายก่ออกท่าที่สอง ดีแขนให้ตรงนะตรงถ้าแขนตรงมันก็จะชิดหูก็จะหนักนิดหนึ่งสำหรับคนไม่เคยหายใจเข้ายมือขึ้นหายเจีออกหายใจเข้าขึ้นหายใจออกมือ ล, ลงจังหวะลงหายใจ ที่สามมือขวาจับหูซ้ายมือซ้ายจับหูขวาอันนี้ช่วยเพิ่มความจำป้องกันสมองเสื่อมป้องกันอัลไซเมอร Alzheimer ได้ให้ทำทุกวันหายใจเข้าลุกขึ้นหายใจออกนั่งลงข่านี้ก็จะน่วงที่ขาแล้วก็สังเกตไป บางครั้งเราก่อไฟขึ้นเพื่อหุงข้าวตุ๋นแกงทุกเวทนาบางครั้งเราก่อมันขึ้นเพื่อเขาผ่านสิ่งที่มันเป็นเชื้อโรคให้หายไปจากร่างกายถ้าเราเกียรติที่เกียรติติดไฟหุงข้าวเราก็ไม่ได้กินข้าวสุกไม่กินอาหารสุก ที่แข่งขาดีก็จะได้ลงได้ร้อยเปอร์เซนแบบนี้ถ้าแข้งขาไมา่ดีก็ได้สักสามสิเอร์ซ็นต์สี่เปอร์เ็นตขณะนี้ก็ได้แล้วแต่กำลังของเราแต่คนที่แข่งขาดีกำลังดีก็สามารถลงได้ร้อยเปอร์เนตเอาตามกำลังตามสภาพร่างกายขึ้นหายใจเข้านั่งลงหายใจออกยาว จะเข้าทางจมูกหายจออกทางปากคนที่มาใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่อามาถ้าตบไหลไปต้นไปฐานนี้ก็จะหนักกว่าท่าคือแต่ละท่าม็หนักขึ้นเรื่อยๆเป็นการเพิ่มเพิ่มกำลังก็มีสติตามรู้ เวทนาทางกายให้ชัดๆท่า น, นี้ก็จะทำให้สารเซเลมีนที่อยู่ปลายหูเนี่ยหลังเซเลมีนตัวนี้ก็จะทวีตขึ้นเป็นเอนไซม์ไปเรื่อยสมองทำให้ความจำดีต่อไปท่าที่ทอะไรที่ส มุนเข่าไปทางขวาเพาว่าถ้าขวาสิบก็ซ้ายสิบขวายี่สิบก็ซ้าย20ิ นี่เป็นจังหวะถ้ามุนซ้ำๆก็หลายครั้งต่อเนื่องกันน้ําหนักจะเกินถ้าเป็นจังหวะก็จะผ่อนหนักผ่อเบาก็จะพอดีนะก็จะทําได้มากขึ้นถ้าไปทําซ้ําๆไว้ไว้น้ําหนักเกินแล้วก็ทําต่อไม่ได้เป็นจังหวะพอดี หาความสมบุรณให้ดีแล้วเราก็จะมีพลังลครั้งละยี่สิบก็พอดนะีต่อไปก็เป็นเหมุนเอวขวาไปซ้ายทำให้สบายอย่าทำไวเกินไปถ้าทำไวเดี๋ยวก็ไปไม่รอดก็ลังเกินให้สบายนุ่มนวลแล้วผ่อนคลาย หายใจให้ลึกออกยาวเข้าลึก ไปหมุนซ้ายขาไปซ้าย ไปมุนไหลไปข้างหน้าถ้าหากว่าเราจะให้ได้ต่อเนื่องยาวๆก็นับไปด้วยก็ได้นับไปทั้งหน้าสักยี่สิบหรือสามสิบครั้งถ้าไหนเบาก็เพิ่มขึ้นถ้าได้หนักก็น้อยลงตามกำลังของเรา ท่าที่ห้าปกติคือเป็นท่าทวิตขาแต่ว่าในที่นี่ที่ไอสำหรับเกาะของเราไม่พอเกาะอย่างเงี้นะทวิตขาอย่างเงี้แล้วแต่จะหามุมมาตามเสาก็ได้ทวิตขาแบบนี้ เก้าอี้ก็ได้ใช้เก้าอี้ก็ได้เก้า อ, อี้ด้านหลังนะฮะกดด้านหลัง วิ่งขาซ้ายไปขวาวิ่ข า, ข, าขวาไปซ้า ย, แ, ยแล้วละพอสมควรเสร็จแล้วเรานั่งลงอ๋อเลยวิ่งท่าเหนือท่าหมุถ้าหมุนคอข้อมือจับเอวไปจับเอวหมูจับซ้ายไปขวา ขวาไปซ้ายกันได้ครั้งละยี่สิบถ้าหากว่าคนไหนทำเป็นก็เริ่มมีเหงื่อซึมซึมละถ้าหากขวาไปซ้ายต่อไปก็ซ้ายไปขวา ศสนาผัวเอเงเนาะเข้าสู่ตัวไฟล์ที่เบสที่ไร่ถ้าถ้าแถวเดียวมันเบียดกันก็แยกเป็นสองแถวก็ได้ เป็นสองแถวข้างหน้าแถวข้างหลังแถวเหมือนที่เรานั่งขยับขึ้นสลับกันสลับขึ้นขึ้นหน้าแถวหลังแถวคนะนไหนนั่งเรียบร้อยแล้วก็ยกมือขึ้นนั่งทับส้นนะยกมือขึ้นนั่งทับส้นแล้วก็เป็นท่าเตรียมก็คือยืดมือไปข้างหน้ากดศีรษะลงแต่พื้นให้ใจเข้า ยกมือขึ้นเหนือศีรษะให้สูงนั่งทับส้นนะเอาโซนเหยียดไปข้างหลังไอ้เจ้าออกเหยียดมือไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้แล้วผาแปะพื้นไอ้เจ้าเข้าไอ้เจ้าออก จะเข้าเสร็จแล้วแล้วก็ท้าแรกแล้วก็นั่งเหยียดขาเหยียดขาจริงๆท้าของนิฟายนิฟายที่เป็นิดไลนี่มันเริ่มด้วยท้าพลังจักรวาลแต่เราจะเอาพลังจักรวาลไปเป็นท่าสุดท้ายนี่เพื่อให้ เพราะว่าวางคนที่ไม่คุ้นเนี่ยถ้าพลังจักรวาลจะทำให้เกิดเวียนหัวมืนหน้าทาลายพ อ, พอพอทำท่านั้นเสร็จก็นอนยาวเลยมันก็จะได้พักเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มท่าที่สองคือท่านอนลงโดยกันงอตัวเป็นกุ้งแบเมื่อวานคือเอามือทั้งสองล็อกไว้ที่ไท้ทอยล็กไว้ทีแล้วก็นอนไปหายใจเข้ายกเท้าขึ้นตรง ยกศีรษาขึ้นสูงออกทีรษะขึ้นสูงเห<ม>ยียดขาให้ตรงหายใจออกค่อยๆฝนคลายเท้าลงชา้าๆก็ให้ตัวลาบลงไปหายใจออกเสร็จแล้วหายใจเข้าหายใจออกทิ้งชุดหนึ่งเพื่อที่จะระ บ, บายความร้อนออกแล้วหายใจเข้าชุดที่สองก็คือยกเท้าขึ้น ยกศรีรษะให้ตรงยกให้ตรงหายเจอ อ, อกก็ผคลายลงแล้วหายเจเข้าฟรีหนึ่งชุดเข้าออกฟรีหนึ่งชุ ด, าออช ด, ดยาวๆพอชุดที่สองเราถึงยกขึ้นท่าตรงศรีรษะตรงยกให้ตรงมากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดี หายใหจหยบแล้วก็ผ่อนคลายหนึ่งชุดนะหายใจเข้าชุดที่สองหอายใจช้าผ่อนคลายหายใจออกผ่อนคลายเท้าลงวิอสะลง หายใจเข้าหายออกฟรีอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองหายใจเข้ายก เ, เข่าขึ้นสูงเข่าขนสู ง, งวพยัคฆ์ขึ้นสูงรวบผ่อคนคลายเียดลงหายใจเข้าฟรีเวบผ่อผ่อนคลายความร้อนออก เข้าชุดที่สองหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นเหยียดเท้าเพึ่นสูงยกที่ศากขึ้นสูงให้ตรงแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายหายใจออกท่านนี้เราก็จะหนักที่หน้าท้องให้สังเกตพอหนักแล้วเวลาเราผ่อนคลายมันก็จะเบาสบายพอเบสบายแล้วยกขึ้นใหม่หายใจเข้า หายใจเข้ายุกที่สาึ้นหายใจออกผ่อคลายเราจะทำสักห้าครั้งละครนะครั้งที่ 5, ห้าหายใจเข้าคลายหายใจออ เสร็จแล้วก็ลุกขึ้นนัง่งขึ้นนัง่ง f อยู่ไหน f บอกขึ้นเอารวมปานเปิดมอเตอร์หายใจเข้า okay. หายใจออกในขั้นทุกท่าต้องมีท่าเตรียมท่านี้ประกอบประกอบหายใจเข้า เดี๋ยวจะเขา้าเดีเ๋ยวไปท่าที่สองชันเข่าขึ้นชันเข่าขึ้นแล้วก็เอามือทั้งสองควยกันด้านหลัง หายใจเข้าให้ลึกแล้วหายหลังไป mm hmm. หายใจออกก้มศีรษะลงจดพื้นเหยียด <Yes. S 2> ขาเท้าไปข้างหลังให้ตรงแล้วสไลด์แขนไปข้างหลังสามครั้งหนึ่งสองสามตั้งให้สไลด์ไปข้างหลังนตั้งให้ตรงเนี้ย okay. หายใจเข้ายกลำตัวขึ้น หายใจเข้าหหลหลังไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หายใจออกค่อยโน้มลนตัวลงชี้ศอกดพื้นยกตัวโพกขึ้นสไลด์แขมไปด้านหลังสามครั้งหนึ่งสองสามหายใจเข้ายกัำตัวขึ้น อายตัวไปข้างหลังหายใจออกพนมลำตัวลงพิษากดพื้นยกตัวโพวกขึ้นให้ยกแขงขึ้นข้างหลังให้ตรงแล้วสไลด์ไปข้างหลังสามครั้งหนึ่งสองสามให้ตรงอย่างนี้นะไม่ใช่อดิกกริกแค่นี้นะให้ตรงขึ้นอย่างนี้นะกดมืง ใจข้าวท่านี้ก็จะทำให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายทะลุปอดพุกถุงนะสามร้อยล้านถุงเนี่ยใจข้าวล้วก็ น, น้มตัวลงไปให้ไกลหายใจออกน้มตัวลงกดพื้นไล่หนึ่งสองสามใจข้าว โยกลำตัวขึ้นหงายไปข้างหลังบางคนนะนั่งชันเขาไม่เป็นยังนั่งคูงเข่าอยู่เลยนะนั่งชันเขาตั้งเข่าขึ้นอย่างนี้หา้เจ้บหนึ่งสองสามไา้เจเข้า หายไปข้างหลังหายเจออีกหนึ่งสองสามายใจเข้าเสร็จแล้วก็นั่งทับโซนลงหายใจเข้ายกมือขึ้น แขนแนบหูจับหลหไเชือออกเหยียดไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไลได้นะครับแตะพื้นให้ใจ เ, เข้าาอเชือออก จะข้าวา จ, จะไปท่าที่สามนั่งเหยียดขาตร ง, งเหยียดขาตรงแล้วก็วางมือทั้งสองแล้วข้างลำตัวทั้งสองข้างรัว ท่า น, นี้เป็นการยกลบตัวขึ้นเป็นลักษณะสะพานโคง้งแต่ไม่ใช่ยกแบบนี้นะแอนลาตัวขึ้นให้ตรงหรือแอนแล้วก็โค้งแบบนีนะ้หายใจเข้าก็โยกลบตัวขึ้นแนะี้ให้สูงแล้วก็ปล่อยศีรษะลงไปอีกด้านหนึ่ ง, ยงพยายามยกระโพกให้สูงแล้วหายใจออกก็ลดระโพกลงระหว่งางแขนทั้งสอง คือยายาให้แขนสไลด์ไปข้างหลังแบบนี้นะ่ะนั่งให้ตรงแบบดึงแขนก็มาให้ตั้งลาตัวตรงเป็นการปรับโครงสร้างกระดูกตั้งตัวให้ตรงาหายใจเข้ายกลตัวขึ้นเอื้อให้สูงโอโหเอาไว้หายใจออกยันตะโพกอยู่ระหว่างแขนทั้งสองตั้งลาตัวตรง เหยียดขาตรงาการผ่อนคลายแล้วก็เอาขิ้นออกหายใจเข้าเราทำไปแล้วสังเกตไปถึงความหนักเบาของร่างกายนะหายใจออกไปหายใจเข้า อ้าเจออ้าเจ้าอ้ายเจออ้าเจ้า จเสร็จแข้าหายใจเข้าอาจใจเข้า อีจเจ้เจ้าข้าวจเจ้ามิเจ้าข้าวต่อไปท่ายืน ยืนเป็นท่าที่สี่การหายจะเข้าแระก็ยกมือขึ้นหายใจออกกดมือทั้งสองลงแตะพื้นขาตรงแล้วก็ก้าวขาไปทางหลังสามก้าวหนึ่ง สองสามและกดตะโพกลงแก่น้าดูพดานหน้าดูพดานกดตะโพกลงให้ตําหายใจเข้าเดินเท้าเข้ามาหนึ่งสองสา ม, สามกดที่สะลงหายใจออกเดินเท้าออไปสามเก้าหนึ่ง สองสามกดตะโคกลงละเอียดปลายเท้าเงียหน้าดูเพดานกดตะโคลงให้ต่ำแต่ไม่ถึงกับแตะพื้นนะนเป็นท่าหูเหวนะหายใจเข้าเดินเข้ามาสามเก้าหนึ่งสองสามถ้่สามเ ก, ก้าแล้วศีษะเราจะกดลงต่ำระหว่างแขนทั้งสองขาตรง หายออกก้าวเท้าไปข้างหลังหนึ่งสองสามกุตโโคกลงให้ต่ำเงยหน้าให้สูงดูเพดานถ่านี้จะได้หลังได้ไหลได้สียเอวข้อแข่งข้อขาทาั้งลำตัวเลยนะหายจะเข้าเดินมาหนึ่งสองสามกดทีะลงต่ำ หายใจเข้าหนึ่งสองสาม <c oughs> ในหน้าตัวไฟดานหา ใ, ใจเข้ายก ต, ตัวโพกขึ้นเดินเข้ามาหนึ่งสองสามคนที่สั่นลงหายใจออกเดินเท้าออกหนึ่ง สองสามกดอะโพกลงนหน้าโดยพยานแล้วหายใจเข้าออกนึกที่นี่ท่าสุดท้ายเราจะเอาเลือดลงศีสะลงเลือ้องชีสะคือหายใจเข้าแล้วเดินท่าเข้ามาเดี๋ยวท่านี้ดูก่อนนะดูต่อดูตัวอย่างก่อนหนึ่งสองสามแล้วก็เอาเข่าลง ศิรษะกดแล้ก็ทำแบบนี้นะเอาศีรษะลงแทนแล้วก็ยกลงตัวขึ้นเอาศีรษะกดกับพื้นเอามืทั้งสองกดไว้ในะจเข้าออกไปหครั้งอันนี้เลือดรเรื่องศีรษะทำให้โลหิตฝอยในศีรษะของเราแข็งแรงไม่ปีดไม่แตกง่ายลอาทำดูนะแล้วนะพอทำอย่างนี้ก็สามารถ ทิ้งเอาไว้สักสองสามนาทีก็ได้แล้วแล้วนั่งคูขง่ข่าวลงหายใจเข้าเหยียดมือทสองขึ้นหายใจเข้า จบต่อไปเป็นท่าก่อนที่จะไปถึงท่าจุดท้ายขอท่านี้ท่าหนึ่งนะการบริหา ร, รลมปราณแขนทั้งสองเพราะแขนทั้งสองของเราจะมีเส้นลมปราณอยู่ข้างละหกเส้นข้างนี้หกเส้นที่บังคับนิ้วให้ทำงานบังคับ ข้อมือนะดูหนึ่งท่านเอฟเรียบร้อยยังอเอานะโดยการยื่นแขนเพืักหน้าหันฝ่ามือหันหลังมือเข้าหาจันยกมือซ้ายคล้องมือขวาฝ่ามือมาประกบกันแล้วก็รัดกันอย่างนี้หายจะเข้าดึงเข้ามาที่หน้าอกแล้วก็ทวิต์ขึ้นข้างบนก็เหยียดไป หนึ่งกลับมาที่เดิมบริหารเส้นรูรปปรานแขนสองสามสี่ทำไปเลยสักห้าครั้งหรือสิบครั้งก็ได้เพื่อให้เส้นรูปปรานที่แขนแข็งแรงแขนไม่ล้าไม่เหนื่อยเวลาทำงานห้า 6,7,8,9,10 กบออกมามือตั้งเหมือนเดิมหงหลังมือเข้าหากันเมื่อกี้เรายกมือซ้ายคร้อมมือขวาที่ได้ยกมือขวาคร้อง ม, มือซ้ายแล้วก็ประกบกันเหมือนเดิมเมื่อกี้เราบริหารแขนขวาลงปลายซึ่งขวาบริหารลงปลายข้างซ้าย ถ้าชกพิชเข้ามาหนึ่งบางคนอาจขวาเหยีดไม่เต็มที่เลยซ้ายเหยียได้เต็มที่สองสามจับให้แน่นสามสี่ห้าหกเ จ, จ็ดแปด เก้าสิบวันนี้ตามที่ได้แจ้งไปเมื่อวานว่าเราจะต่อด้วยลมปราณอีกชุดหนึ่งสิบท่าซึ่งท่านี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องางเดินลมหายใจหาเรื่องปอดแล้วก็หลอดลมต่างๆที่ทำให้หลอดลมไม่ดีเสียงแหบเสียงแห้ง แล้วก็เป็นหวัดเจ็บคอเนี่ยถ้าทําท่านี้ประจําก็จะไม่เป็นเราลมปราณ น, นะทางฝ่ายเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วเรายืนบนจะริญนทางสานักดีค่ะเราจะมาฝึกหายใจเดินลมปรานกันนะคะท่าที่หนึ่งมือเท้าเอวค่ะเวลาหายใจเข้าให้หายใจเข้าทางจมูกให้ปิดปากไว้ด้วยนะคะ เวลาหายใจออกหายใจออกทางจมกูกพ่นเป็นจังหวะคล้ายๆกับปลาพ่นน้าค่ะเราจะเริ่มทำกันเลยนะคะหายใจเข้าทางจมกูกปิดปากไว้หายใจออกทางจมูกค่ะค่ะผ่อนคลายให้สบายนะคะไม่ต้องเล่งตัวเองนะคะอีกครั้งเนึ่งค่ะ มือเท้าเอวหายใจเข้าทางจมูกปิดปากไว้หายใจออกทางจมูกค่ะให้พ่นลมออกเป็นจังหวะคล้ายกับปลาพ่นน้ำค่ะผ <c oughs> ่อนคลายให้สบายค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะ คายให้สบายค่ะ อ, อีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าทางจมกูกหายใจออกทางจมูกค่ะผ่อนคลายให้สบายนะคะอีกครั้งหนึ่ง หายใจเข้าหายใจออกค่ ะ, <c oughs> ะค่อนคลายให้สบายจะทำประมาณห้าถึงสิบครั้งก็ได้ค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาหายใจไม่สะดวกคัดจมกูกเป็นประจำนะคะท่าที่สองมือเท้าเอวนะคะหายใจเข้าทางจมกูกแต่เวลาหายใจออก ให้พ่นออกทางปากเป็นจังหวะคลายกับป๋าพ่นน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกทางปากพ่นเป็นจังหวะค่ะอ้าวผ่อนคลายให้สบาย อ, าอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าทางจมกูกหายใจออกทางปากค่ะ สบายนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าทางจมกูกหายใจออกทางปากค่ะผ่อ <c oughs> <c oughs> นคลายให้สบายค่ะ อีกครั้งเนึงค่ะมือเท้าเอวหายใจเข้าหายใจออกเป็นจังหวะค่ะทางปากค่ ะ, ะผ่อนคลายให้สบายอีกครั้งหนึ่งค่ะเมืองเท้าเอวหายใจเข้าทางจมูกพ่นลมออกทางปากเป็นจังหวะค่ะ สบายอาจจะทำยาวกว่า น, นี้ก็ได้นะคะทำประมาณห้าถึงสิบครั้งก็ได้เท่าที่เรารู้สึกว่าเราสบายเหมาะสำหรับคนที่เสมหะติดบริเวณคอนะคะกล่องเสียงนะคะสามารถที่จะทำท่านี้ได้เป็นประจำเลยคะ่ะเอาท่าต่อไปนะคะท่าที่สามมือเท้าเอวเวลาหายใจออกนะคะ ให้อ้าปากกว้างๆร้องคำว่าอมยาวๆนะคะเราจะเริ่มทำกันเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกร้องคำว่าอมยาวๆค่ะออผ่อนคลายให้สบายนะคะไม่ต้องเล่นตัวเอง เอวค่ะหายใจเข้าทางจมกูกหายใจออกทางปากล้องอมยาวๆค่ะโอค่ะผ่อนคลายให้สบายค่ะ อ, อีกครั้งหนึ่งค่ะมือเท้าเอว หายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากล้องโอมยาวๆค่ะออผ่อนคลายให้สบาย ทั้งหนึ่งค่ะมือเท้าเอวหายใจเข้าทางจมกูกหายใจออกทางปากล้องคำว า, มาอมยาวๆค่ะโอม<อ>ค่ะันค่ายให้สบายค่ะ อีกครั้งหนึ่งนะคะมือเท้าเอวหายใจเข้าทางจมกูกหายใจออกทางปากล้องอมยาวๆค่ะอ่ออ่อนคายให้สบายนะคะเราจะทำประมาณห้าถึงสิบครั้งหรือเท่าที่เรารู้สึกสบายท่า น, นี้จะช่วยให้เสมหะที่อยู่บริเวณหลอดลมนะคะ ถูกขับออกมานะคะท่าต่อไปท่าที่สี่นะคะมือเท้าเอวหายใจเข้าทางจมูกเวลาหายใจออกลองค า, าว่าอ์ยาวๆพร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้าขนานกับพื้นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกโน้มตัวไปข้างหน้าขนานกับพื้นลองคาว่าอมค่ะออ หายให้สบายไม่ต้องเร่งตัวเองค่ะอ่าอีกครั้งหนึ่งมือเท้าเอวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกโน้มตัวไปข้างหน้าขนานกับพื้นลองคำว่าโอมยาวๆค่ะ สบายค่ะอีกครั้งหนึ่งมือเท้าเอวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโน้มตัวไปข้างหน้าขนานกับพื้นลังคมะมาอมค่ะ ครั้งแดงมือเท้าเอวค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกโน้มตัวไปข้างหน้าลำตัวขนานกับพื้นลองคำว่าโอมค่ะ ตาประมาณห้าถึงสิบครั้งก็ได้นะคะหรือดูสภาพร่างกายของเราเท่าที่เรารู้สึกว่าสบายนะคะท่าต่อไปท่าที่ห้านะคะยืนตรงนะคะกางแขนออกมือทั้งสองข้างพลิกคว่านะคะหายใจเข้าให้ยอดตัวนะคะหายใจเข้าเล็กๆพอมือมาถึงบริเวณหนะะ้าขาให้หงายฝ่ามือขึ้นนะคะเคลื่อนฝ่ามือถึงบริเวณส่วน อ, อกนะคะ พร้อมกับหายใจออกกระแทกมือลงในแนวดิงล้องคําว่าอาค่ะนะคะ อ, อีกครั้งหนึ่งค่ะการแขนออกหายใจเข้าย่อตัวลงมือมาถึงบริเวณหน้าขาหงายฝ่ามือขึ้นเคลื่อนฝ่ามือขึ้นมาถึงบริเวณซวงอกพลิกคว่ำฝ่ามือกระแทกลงล้องคําว่าอาค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ ทางแขนออกหายใจเข้ายอดตัวลงดึงฝ่ามือขึ้นถึงบริเวณซองอกกระแทกลงค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้ายอดตัวลงดึงฝ่ามือขึ้นมาถึงบริเวณซอง อ, อกพลิกคว่าลงกระแทกลง หายใจเข้าดึงฝ่ามือขึ้นมาหายใจออกค่ะหายอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าดึงฝ่ามือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะการแขนและออกหายใจเข้าลึกๆย่อตัวลงไป ดึงฝ่ามือขึ้นมาถึงสว่วนอกลิกค้่คมฝ่ามือลงกระแทกค่ะ <c oughs> ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกๆเดึงฝ่ามือขึ้นมาค่ะ <c oughs> ครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้า ะะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกกระแทกลงค่ะทำเท่าที่เรารู้สึกสบายประมาณห้าถึงสิบครั้งนะคะอท่าต่อไปท่าที่หกนะคะกางแขนออกนะคะหายใจเข้าย่อตัวลงค่ะหายใจเข้าลึกๆ แต่นี้เราจะทำช้าๆนะคะพอมือมาถึงบริเวณหน้าขาไงฝ่ามือขึ้นเคลื่อนฝ่ามือขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเหนือศีรษะถึงเหนือศีรษะให้พิกคว่มฝ่ามือลงพร้อมกับายฝ่ามือลงไประหว่างขาลองคาว่ า, าอายาวๆหายใจเข้าค่ะเลึกๆเคลื่อนฝ่ามือขึ้นมาช้าๆ ถึงเหนือบริเวณศีรษะพิกคว่มฝ่ามื อ, มมอลงหายใจออก่ะร้องคำว่าอายาวๆหายใจเข้าเล็กๆหายใจออกค่ะหายใจเข้าเล็กๆ หายใจออกเราจะทำช้าๆนะคะหายใจเข้าเล็กๆเคลื่อนฝ่ามือขึ้นมาช้าๆถึงเมือศีรษะพลิกควา่าหายใจออกค่ะมือจะอยู่ระหว่างขานะคะหายใจเข้าเล็กๆค่ะ หายใจออกหายใจเข้านะคะลึกๆช้าๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะ จจเข้าเล็กๆหายใจออกผ่อนคลายให้สบายค่ะทำประมาณห้าถึงสิบครั้งนะคะอ่าท่าต่อไปท่าที่เจ็ดนะค ะ, ะกลางแขนออกนะคะให้ตะแคงฝ่ามือนะคะหันฝ่ามือทั้งสองข้างไปด้านหน้า เวลาหายใจเข้าให้เคลื่อนมือมาประกบกันด้านหน้าแบบนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆเวลาหายใจออกให้ผายฝ่ามือออกให้มากที่สุดลองคำว่าอาช้าช้าหายใจเข้าหายใจออกลองคำว่าอายาว หายใจเข้าค่ะลึกๆเลยค่ะหายใจออกพายฝ่ามือให้มากที่สุดมือมาชิดข้างลำตัวหายใจเข้าหายใจออก ะะหายใจออกหายใจเข้าค่ะเลกๆหายใจออกหายใจเข้านะคะเล็กๆ หายใจออกล้องคำว่าอาให่าหายใจเข้าค่ะหายใจออกผ่นคลายให้สบายค่ะทมประมาณห้าถึงสิบครั้งนะคะหรือเท่าที่เรารู้สึกว่าเราสบายนะค ะ, ะถ่าต่อไป ท่าที่แปดนะคะยืนตรงกลางแขนทั้งสองข้างออกนะคะแต่ให้หงายฝ่ามือขึ้นนะค ะ, นะคะเวลาหายใจเข้าเคลื่อนมือมาประกบกันด้านเนือศีรษะนะให้แขนเนียเน่ยแนบไปกับหูนะคะยืดตัวเต็มที่จัดโครงสร้างร่างกายไปด้วยเวลาหายใจออกให้พายมือออกด้านข้างร้องคำว่าอาแล้วมือเคลื่อนมาชิดกันด้านหน้าแบบนี้นะคะ หายใจเข้าเย็ดตัวเต็มที่เลยค่ะจัดโครงสร้างร่างกายไปด้วยแขนทั้งสองข้างแนบหูหายใจออกค่ะหายใจเข้าเย็ดตัวเต็มที่หายใจเข้าลึกๆหายใจออก ใจเข้าค่ะเลือดหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้านะคะยืดตัวเต็มที่เลยค่ะมือประกบกันเหนือศีรษะแขนแนบผูหายใจออกหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออก ตัวเต็มที่หายใจออกอผ่อนคลายให้สบายนะคะเราทำเท่าที่เรารู้สึกว่าสบายนะคะท่าต่อไปท่าที่เก้านะคะการแขนออกนะคะาหายใจเข้ายอดตัวลงหายใจเข้า มือมาถึงบริเวณหน้าขางายฝ่ามือขึ้นเคลื่อนมือขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงนือที่ศีรษะพอถึงเมือศีรษะพิดคว่มฝ่ามือลงค่ะพร้อมกับหายใจออกลองคำว่ายาวๆเคลื่อนฝ่ามือลงมาแต่ให้เคลื่อนฝ่ามือออกมาด้านข้างปลายนิ้วทั้งสิบนะคะชี้ไปด้านหลังนะคะนี่จะเป็นการจัดโครงสร้างร่างกายไปด้วยนะคะหายใจเข้า เป็นฝเามือขึ้นมาเรื่อยๆถึงมาศีรษะพิกความฝ่ามือลงหายใจออกค่ะหายใจเข้าค่ะเล็กๆหายใจออก หายใจออกค่ะหายใจเข้านะคะหายใจออกหายใจเข้าค่ะลึกๆเลยค่ะหายใจออก หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจออกค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้านะคะ หายใจออกอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออยขยเจข้า ได้หรอกค่ะผ่ อ, ผอนคลายให้สบายนะคะอาจจะทำประมาณ 5-10 ครั้งหรือเท่าที่เรารู้สึกสบายะคะ่ะท่าต่อไปท่าที่10นะคะเวลาหายใจเข้ามือประกบกันด้านหน้าแบบนี้นะคะเวลาหายใจออกร้องคำว่ า, ายาวๆพร้อมกับเคลื่อนฝา่ามือออกจากกันให้มากที่สุด หายใจเข้าค่ะขคลื่อนฝาามือมาด้านหน้าประกบกันด้านหน้าหายใจออกร้องคำว่าอาไหลยแยกออกจากกันให้มากที่สุดหายใจเข้าค่ะหายใจออก าา ห, าออาหายใจเข้าช้าๆเล็กๆหายใจออกลองคำว่าอาค่ะหายใจเข้าเล็กๆค่ะหายใจออกล้องคำว่าอาค่ะหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้านะคะสช้าๆลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะ ออเราทำลมปรานทั้งหมดสิบชุดนะก็ตรมปุติหลังจากที่เราทำอาม่าห้าท่าเด็ดไฟไล่ห้าท่าหลังจากนั้นถ้าเราไม่ทำลมปรานแล้วก็เป็นท่าพักศพ ห้านาทีแต่พอทำลมปราณแล้วมันผ่อนคลายก็ไม่จะเป็นถึงทาท่าพักศุกร์งท่าพักศุกก็คือการผ่อนคลายให้คือการผ่อนคลายเราะฉะนั้นลมปราณทั้งหมดก็ทำให้ผ่อนคลายหลังจากนี้เวลาเหลืออยู่ประมาณสิบนาทีแล้วก็ไปดื่มน้ำาพาดื่มน้ำใครเข้ามาก่อนก็ทวัดสดมุนใครเข้ามาที่หลังก็หลังจนกว่าถึงเวลาตอนนี้กลับลพร้อมกัน